ตอนที่เรายังไม่วัดไอตัวกําำัะตะลังสีเนี่ยมันอยู่ในสถานการซ้อนทับระหว่างสลายกับไม่สลายยาพิษก็อยู่ในสถานะซ้อนทับระหว่างแตกออกมากับไม่แตกแล้วแมวล่ะแมวก็ควรจะอยู่ในสถานะซ้อนทับระหว่างเป็นกับตายพร้อมกันที่โชริงเจอร์บอกว่ามันวิปลาดตรงที่ว่าแล้วแมวมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันจะซ้อนทับระหว่างเป็นกับตายเป็นคลื่นที่ซ้อนทับระหว่างคลื่นเป็นกับคลื่นตายเนี่ยได้ยังไงแมวมันจะรู้สึกยังไง มันได้ด้วยเหรอสุดท้ายแล้วมันจบที่ว่าโอเคฉันได้ประชดสมใจอ ย, ยาก <c oughs> จบหรือว่า <c oughs> มันมีการต่อยอดหรือว่ามีใครมาคิดอะไรต่อจากเรื่องนี้ยังไงบ้างก็เนี่ยคือ you're listening to the standard podcast the eye-opening experience for your ears ได้ในโลกล้วนฟิสิกส์ p o d c a s วิทยาศาสตร์เนิร์ดๆที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัว คำถามที่บอกว่าถ้าไม่มีตัวเราที่มองอยู่เนี่ยสิ่งต่างๆจะเป็นอย่างที่มันเป็นไหมมันมีแบบนั้นอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่เดียวมากแล้วก็ตั้งคำถามในแนวแนวปรัชญาแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะซึ่งแนวคิดนี้มีชื่อน่ารักมากเลยค่ะชื่อว่าแมวของเชอร์โรดิงเจอร์นะคะแมวมา ย, า, ายังไงวันนี้มาคุยกันในใดๆในโลกล้นฟิสิกส์นะคะอยู่กับฟังรัฐรโรจิตพนาค่ะและผมอารวารงจรธมารครับ เขาทำไมถึงตั้งชื่อแบบแมวของ s ชโรดิงเจอร์แมวแมวมาอย่างไงคะพี่กองแปงการทดลองแมวของ s ชโรดิงเจอร์เป็นการทดลองในจินตนาการของคุณเออร์วินเชโรดิงเจอร์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่น่าจะสมเหตุสมผลของทฤษฎีควอนตั้มแปลว่าเขาไม่ได้ทดลองมันจริงๆแต่ว่าคิดคิดอยู่ในหัวใช่แต่ถามว่าทำไมต้องเป็นแมวอันนี้ผมก็ไม่รู้ แต่เอาเป็นว่ามันต้องเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งจะเป็นหนูก็ได้เป็นแฮมสเตอร์เป็นหมาแต่เขาเลือกแมว อ, อยู่ในจินตนาการไม่น่าจะเป็นช้างเพราะช้างมันใหญ่ไปเป็นกระทิงก็น่าจะเอามาอยู่ในกล่องยากอะไรที่อยู่ในกล่องแล้วมันอยู่นิ่งๆก็แมวละกันก็หวยมาออกที่แมวออครับค่ะแล้วเรื่องนี้มันคือการทดลองอะไรอ่ะคะเวลาจะเล่าเรื่องเนี้ยมันเล่าลําบากเพราะว่าก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าชโรดิงเจอร์เขาประชดอะไรอืม อะไรที่ว่าเนี่ยก็คือหลักการหนึ่งทางควอนตัมที่เรียกว่าหลักการซูเปอร์โพสิชันหรื อ, อการซ้อนทับของคลื่นมันคืออะไรอ่ะอธิบายย้อนกลับไปก่อนถึงแบบจําลองอะตอมที่ทุกวันนี้เราเรียนกันมานะครับก็คือแบบจําลองอะตอมที่สอดคล้องกับทฤษฎีควอนตัมที่สุดเขาเรียกว่าแบบจําลองอะตอมแบบกลุ่มหม อ, อกอิเล็กตรอนคลาวด์โมเดลที่เราคุยกันไปในก่อนของควอนตัมฟิสิกส์ใช่อิเล็กตรอนเนี่ยก่อนที่เราจะทําการวัด ว่าอิเล็กตรอนอยู่ตรงไหนเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าอิเล็กตรอนอยู่ตรงไหนชัดเจนเราบอกได้แค่ว่ามันมีโอกาสอยู่ตรงไหนออืแล้วถามว่ามันอยู่ตรงไหนล่ะทฤษฎีก็บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วธรรมชาติเองจริงๆก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนว่ามันอยู่ตรงไหนด้วยนะอคือมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีบอกว่าโอกาสอยู่ตรงไหนค่ะแต่ตัวธรรมชาติเองก็เบลอจริงๆด้วยนะออืมันก็เป็นคลื่นที่แบบค่ะอยู่ไปทั่วอืแล้วพอไปวัด คลื่นนี้มันก็เกิดการยุบแบบเป็นอิเล็กตรอนตัวนึง <c oughs> อยู่ทใ<า>ที่ทันที ท, ที่เราวัดนะเหรอใช่พอวัดปว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้คลื่นที่ว่าเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเกิด collapse หรือยุบทันทีเป็นตำแหน่งเดียว<อ>ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันอยู่ในลักษณะของการซ้อนทับมีโอกาสอยู่ตรงโน้นตรงนั้นตรงนี้ <c oughs> เนี่ยโอกาสเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นการ superposition ของคลื่นแห่งโอกาสหลายๆอันนะฮะ ว่าอาจจะอยู่ตรงนั้นด้วยความน่าจะเป็นเท่าโนู้นเท่านั้นแล้วพอวัดแล้วเนี่ยมันก็ยุบมาเป็นตำแหน่งเดียวที่ที่เราวัดได้แปลว่าห้าวัดถึงวัดก็ก็ไม่รู้อยู่ดีวัดก็รู้ดิวัดแล้วมันยุบออกมาเป็นเ<อ>ม็ดเดียวอแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้กลุ่มมองนั้นมันยังไงอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมกลุ่มมองเนี่ยมันเป็นภาพที่ทฤษฎีมอบให้เราก่อนเราจะวัดอแล้วมันซ้อนทับกันหลายๆตำแหน่งมากเลยว่าตรงนี้มีโอกาสเท่าโน้นตรงนั้นมีโอกาสเท่านั้นเป็นเป็น เป็นคลื่นที่กระจายอยู่ทั่วไปหมดแต่อย่างอย่างที่บอกนะมันเป็นคลื่นคณิตศาสตร์แล้วพอวัดปุ๊บคลื่นที่ว่าเนี่ยมันก็ยุบแบกมาเป็นมาเป็นตำแหน่งเดียวอฟังเราไม่น่าเชื่อไหมฟังฟังแล้วก็แบบเลอะเบล์บลงงงงแต่ว่าทําไมคุณชโลดิ้งเจอถึงอยากจะแบบว่าเหมือนประชดอันนี้อะค่ะมันเป็นอะไรที่ฟังดูไม่น่าเชื่อก่อนเลยคือก่อนจะไปถึงการประชดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันฟังดูไม่น่าเชื่ อ, อมันดูแบบประหลาด แล้วผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยผมพูดเนี่ยมันมันเป็นการทีความที่แม็กเซนหรือเปล่ามันใช่เหรอไปดูการทดลองหนึ่งเขาเรียกว่าการทดลองดับเบิลสลิดนะครับดับเบิลสลิดก็คือเราเอาช่องเปิดคู่เล็กๆนะฮะมาสมมติว่าเรามีกําแพงก็แล้วกันแล้วเราเจาะให้มันเป็นรู2รูเล็กๆให้มันเป็นช่องเปิดดูรูปนะครับเป็นช่องเปิดเล็กๆตรงกําแพง2รูเสร็จปุ๊บครับเรายิงลูกเทนนิสเคยเห็นเครื่องยิงลูกเทนนิสไหมนึกไม่ออกชอบแรง ชอบแบบจอห์นวิกเอาปืนใหญ่แล้วแต่จริตยิงใส่กําแพงที่เป็นรูนั้นนะฮะแต่กําแพงต้องไม่พังนะยิงปึงปึ้งปึ้งปึ้ึ้งถามว่าถ้าเราเอาฉากไปรองไว้ด้านหลังกําแพงที่เป็นรูสอง่ะลูกปืนมันจะตกตรงไหนมากสุดก็น่าจะเป็นตรงที่มีช่องไหมถูกต้องเลยก็คือช่องมันเปิดอยู่ตรงไหนเนี่ยลูกปืนก็มีโอกาสจะพุ่งไปชนกับตําแหน่งตำแหน่งตรงนั้นมันก็จะพีคขึ้นเป็น ลูกปืนก็จะกระแทกแรงมากๆเลย2จุดนะฮะอาจจะมีฉลบนิดนิดหน่อยๆบ้างบางทีมันอาจจะไม่ได้พุ่งตรงมากมันอาจจะฉลบนิดหน่อยนะมันก็จะเป็นเป็นพีคขึ้นมาสองจุดที่อยู่ตรงกับรูปเปิดนั้นออันนี้ประหลาดไหมอันนี้ก็เหมือนยังไม่ค่อยประหลาดนะคะไม่ประหลาดอืชัดเจนนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราไม่เอาลูกปืนใหญ่ยิงเราเปลี่ยนจากลูกปืนใหญ่เป็นคลื่นน้ําก็ได้เราเอาไม้บรรทัดหรืออะไรก็ตามกระทุ่มน้ํา ให้น้ำเนี่ยมันมีลักษณะเป็นคลื่นหน้าตรงวิ่งไปชนกับช่องเปิดสองรูคลื่นที่ชนกับช่องเปิดสองรูเนี่ยมันจะแผ่ออกมาเหมือนเป็นแหล่งกําเนิดคลื่นวงๆสองอันนะฮะถ้าคิดอะไรไม่ออกคิดซะว่าไอ้ช่องเปิด2รูเนี่ยเหมือนกับหินลม โ, <ย S 1> โยนยใส่น้ําแล้วมันก็เป็นวงออกไป2วง 2> นะฮะแต่มันเป็นการโยนหินอย่างต่อเนื่องมก็จะเป็นวงออกไปต่อเนื่อง<ะ>ทีนี้คลื่นที่แผ่ออกไปเนี่ยมันสามารถแทรกสอดกันได้คือมันก็อาจจะแทรกสอดแบบรวมกัน เสริมกันนะฮะหรืออาจจะแทรกสอดแบบหักล้างกันก็คือหักล้างไปเลยนะทีนี้ถ้าเอาฉากไปรองรับเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นแถบสว่างสลับมืดจุดที่มันเสริมกันมากเลยมันก็จะกลายเป็นสว่างเสริมกันนิดๆหน่อยๆมันก็จะลดหลั่นความสว่างลงมาแล้วก็กลายเป็นมืดก็คือหักล้างแล้วก็สว่างขึ้นอีกแล้วก็มืดแล้วก็สว่างขึ้นแล้วก็มืดอย่างเงี้ยสลับกันนะครับแถบการแทรกสอด ตัวนี้ทดลองได้ทำการทดลองแล้วชัดเจนมากว่ามันว่ามันเป็นแบบนั้นดูรูป<ะ>ต่อไปครับอันนี้คือการแทรกสอดที่เกิดจากช่องเปิดคู่นะแล้วเราใช้แสงเลเซอร์มาทำการทดลองก็จะเห็น<ะ>ว่าตรงกลางเนี่ยมันสว่างมากมแล้วก็มืดแล้วมันก็ค่อยสว่างขึ้นมปอีกแล้วก็มืดแล้วมันก็จะเป็นก้อนแบบนี้สว่างแล้วมันก็จะเป็นมืดใหญ่ๆเป็นแถบแบบนี้นะคร แล้วมันก็สว่างจะไม่เท่าครั้งแรกแล้วนะแล้วก็เป็นแบบนี้แต่หลักใหญ่ใจความของผมก็คือถ้าเราใช้คลื่นปล่อยให้ผ่านช่องเปิดคู่มันจะชไม่ใช่จุดสว่างสองจุดแบบลูกบอลละหรือลูกเทนนิสหรือลูกปืนใหญ่ค่ะแต่จะเป็นริ้วสว่างสลับมืดไปมาเอางี้แล้วกันพูดง่ายง่เพราะมันทั้งเสริมและหักล้างกันได้ใช่จะเห็นได้ว่า เอาอนุภาคมาทดลองก็อย่างหนึ่งเอาคลื่นมาทดลองก็ได้ผลอีกอย่างหนึ่งแล้วถ้าเอาอิเล็กตรอนมาทดลองจะได้ผลยังไงอย่าเพิ่งดูรูปน้องฟังว่าจะเป็นยังไงไม่รู้เลยอ่ะอิเล็กตรอนเป็นอิเล็กตรอนอ่ะเราจะยิงอิเล็กตรอนทีละเมตรไม่ยิงเป็นไม่ศาสตร์นะไม่ศาสตร์ไม่กราดนะครับรนรงยิงทีลเม็ดค่อยๆยิงไปอย่างผู้ดีประนียิงไป แล้วมันตกกระทบบนฉากก็เป็นเม็ดสีขาวๆขึ้นบนฉากแล้วกันยิงไปอีกทีละเม็ดกระทบยิงไปใส่ช่องเปิดคู่นะให้มันผ่านช่องเปิดคู่ทําเหมือนอิเล็กตรอนเป็นกระสุนปืนใหญ่แต่ยิงทีละเม็ดให้มันไปตกกระทบบนฉากคิดว่ามันจะเป็นรูปอะไรคิดแบบทันทีทันทีก็มันเป็นเม็ดมันก็คงเหมือนลูกบอลมั้งใช่มันน่าจะสว่างแค่2จุดเนาะแล้วเรายิงทีละเม็ดด้วยแต่ดูรูปครับปึ้ง พอทําการทดลองออกมาฮะรูปที่เราเห็นเนี่ยอตอนแรกๆอิเล็กตรอนก็ตกกระทบบนฉากเป็นเม็ดเม็ด<ะ>สีขาวๆบนฉากสีดําแบบดูเหมือนแรนดอมเนาะอืเฉลีเฉลียล่ยไเ<ป>ฉลียล่ยเฉลี่ยอ่าแต่พอทดลองยิงจานวนอิเล็กตรอนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราเห็นแพทเทิร์นว่ามันตกกระทบเป็นริ้วมันคล้ายกับคลื่นเมื่อกี้คลื่น น, น้ำมันเหมือนเลยแหละอืมมันแพทเทิร์นเนี่ยมันมันเป็นคลื่นอ แพทเทินการตกเนี่ยมันเป็นคลื่นเราจะอธิบายการทดลองนี้ยังไงอิเล็กตรอนมันเป็นอนุภาคมันทำไมถึงพอทำออกมาแล้วหมดคลื่นอะแพทเทินมันดันเป็นคลื่นใช่อธิบายยังไงดีในมุมมองฟิสิกส์แบบพรตัมเลยนะครับแล้วก็การอธิบายแบบด้วยคลื่นของชาร์ิงเจอร์นะเราอาจจะมองได้ว่าอิเล็กตรอนตอนวิ่งมาเป็นเดี่ยวเดียวเนี่ยมันไม่ใช่อนุภาคเม็ดมันเป็นคลื่น แล้วพอตกกระทบช่องเปิดคู่เนี่ยคลื่นเนี้ก็ผ่านช่องเปิดทั้งสองช่องทั้งที่เป็นอนุภาคเดียวนะแต่เนื่องจากตอนนั้นเรามองเป็นคลื่นมันคลื่นมันก็ไม่มีปัญหาที่มันจะผ่านพร้อมกันอืแต่มันมันประหลาดมันย้อนแย้งว่าอนุภาคเดียวทําไมมันผ่านพร้อมกันได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยมันเป็นแบบจําลองที่ใช้อธิบายแล้วคลื่นนี้ก็เป็นคลื่นคณิตศาสตร์อีกอืแล้วมันก็แผ่เป็นวงออกไปพอแผ่เป็นวงออกไปปุ๊บตกกระทบฉากคลื่นตัวเนี้ยก็ยุบแบบ เขาเรียก c o n l a p s e c o n l a p s e เป็นศัพท์นะผมไม่ได้แต่งนการยุบตัวของคลื่นเนี่ยมันนักฟิสิกส์เขาใช้กันจริงๆแล้วมันก็ยุบใส่ฉากแบบเป็นอิเล็กตรอนเม็ดเดียวด้วยโอกาสที่คำนวณได้ตามสมการแบบคลื่นแม้มันจะเป็นอนุภาคเดียวก็ตามตอนตกเสร็จปุ๊บเขายิงไปหลายๆอนุภาคเข้าอะไรหลายๆอนุภาคเข้านะฮะมันก็เลยกลายเป็นแพทเทิร์นแบบคลื่นไงเพราะว่าก่อนจะเกิดฉากวัดเนี่ย มันแผ่ไปแบบคลื่น <ฮะ S 2> แล้วพอเจอกับฉากปุ๊บมันก็ยุ บ, บมันเป็นอนุภาคซึ่งโอกาสเนี่ยคำนวณได้ด้วยสมการแบบคลื่นโอ้ซึ่งคำอธิบายแบบนี้ชโรโลดิงเจอร์หรือนักฟิสิกในยุคนั้นก็รับไม่ค่อยได้รู้สึก อ, อะไรเนี่ยมันมออประหลาดไอไอสไตนี่ผมชอบมากเลยไอสไตน์พยายามทำลายล้างคำอธิบายนี้รู้สึกรับไม่ได้ <ฮะ S 2> ริดกมากเห็นแล้วแบบไม่โอเคอ สลิดเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนกำแพงใช่ไหมฮะแล้วมันเจาะช่องรูไว้2รูไอสไตล์บอกผมติดสปริงไว้ตรงขอบกำแพง2ด้านอืสมมติ iPad เป็นกำแพงแล้วกันขอยืม iPad แท็บเล็ตนี่นะเป็นรู2อรูไอสไตล์บอกติดสปริงไว้2ด้านอเนี้ยดังนั้นตอนที่อิเล็กตรอนวิ่งมาแล้วเจอกับรูมันก็จะเกิด recoil นิดหน่อยต่อสปริงเพราะมันติดสปริงไว้ ทีนี้รีคอยนีย่ถ้าวัดดีๆเนี่ยเราจะระบุได้ชัดเจนว่าอิเล็กตรอนเนี่ยผ่านรูไหนคือโดยคลาสสิค a l p ฟิสิกส์เนี่ยเราสามารถอธิบายได้พอสมควรเลยนะว่าถ้าเกิดรีคอยแบบหนึง่งอ mm ิเล็กตรอนจะต้องผ่านรูขวาถ้ารีคอยเป็นอีกแบบหนึง่งมันน่าจะผ่านรูซ้ายหรืออะไรนะคำว่ า, วารีคอยหมายถึงหมายถึงมันสั่นหรือมันยังไงนะคะการเด้งของของสปริง มันระบุได้พอสมควรว่ามันผ่านช่องไหนมันโดนสปริงตรงนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่มันมันไม่ใช่โดนสปริงอิเล็กตรอนมันผ่านรูเปิดไหนอืนะครับค่ะแต่หากคิดโดยทฤษฎีอย่างละเอียดจะพบว่าอย่างอย่างชัดเจนนะจะพบว่าถ้าเราไปล่วงรู้ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยผ่านช่องหรือรูไหนเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะตกแบบลูกเทนนิสละครั้นี้คือหมายควา ม, มว่าถ้าเราไป ไปร่วงรู้มันมว่าอิเล็กตรอนเนี่ยผ่านรูไหนชัดเจนว่าผ่านรูไหนทําการทดลองไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายอิเล็กตรอนจะไม่เป็นรูปริ้วแบบเคลื่อนละมันจะกลายเป็นตกแบบรูปเทนนิสคือเป็นสจุดคือทันทีที่มีคนไปบรบกวนมันไปรู้ว่ามันผ่านรูไหนบางคนทบทไปอบอกว่าขอเปิดไฟดูได้ไหมว่ามันผ่านรูไหนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นแบบถ้ารู้บบปุ๊บมันจะไม่เป็นริ้ลวละมันจะไปเป็นเคลื่อนละแพทเทิร์นคลื่นจะหายไปมันจะกลายเป็นเม็ดอนุภาค มัน -collapse ไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้อดังนั้นมันก็เลยเป็นเม็ดอนุภาคคือการวัดตรงนี้มันไปรบกวนคลื่นที่ว่าเลยเป็นสิ่งที่ไม่วัดไม่ได้บอกไม่ได้จากการวัดทําการทดลองเลยวัดได้แต่มันไปรบพวนไงอ๋อปวดหัวมากเลยแล้วยังไงต่อคะแปลว่าเราจะอธิบายสิ่งนี้ได้ด้วยการที่แบบว่าทางคณิตศาสตร์แล้วก็ทางความคิดเท่านั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะการทดลองจริงๆเพื่อ ดูว่าหลักการพื้นฐานนี้ถูกหรือไม่เนี่ย mm hmm. ก็คนพบว่าหลักการพื้นฐานนี่ยก่อนอื่นเลยต้องบอกว่ามันไม่ได้ขัดแย้งกับการทดลองเลยอืมแปลว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ทดลองอะ่ะผลมันจะไม่เหมือนกับตอนที่เราแบบไม่ไปรบกวนมันอย่างเงี้ยคือการทดลองเนี่ยเราถ้าเราไปรบกวนคลื่นด้วยฉากคลื่นก็จะยุบตัวลงตรงนั้นอืมแต่ถ้าเรารบกวนตั้งแต่มันผ่านช่องเปิดคลื่นมันจะยุบตั้งแต่ตรงนั้นละอือแล้วมันก็จะ อิเล็กตรอนก็จะมีธรรมชาติเหมือนเม็ดอนุภาคทั่วไปเลยนะครับทีนี้นักฟิสิกโดยเฉพาะคุณชโรดิงเจอร์ก็รู้สึกว่าการตีความเนี้ยลึกกือเือนะเราจะไปมองว่าอิเล็กตรอนเม็ดเดียวเนี่ยแผ่ไปแล้วซ้อนทับกันเรียกว่าซ u เปอร์โพ t ิชันแล้วไปยุบเหลือแค่ตำแหน่งเดียวแบบนั้นนะ่ะมันรับไม่ได้ด้วยความที่ชโรดิงเจอร์ก็เก่งมากนะครับเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งสร้างการทดลองในจินตนาการขึ้นมาว่าเอาอย่างนี้ ผมจะแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติความวิปลาดความวิปริตของทฤษฎีควอนตัมซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นผมจะเอากล่องมากล่องหนึ่งในกล่องนี้มีกัมมันตาราังสีอยู่นะกัมมันตาราังสีเนี่ยเป็นธาตุที่จะสลายตัวหรือจะไม่สลายตัวมันแล้วแต่โอกาสในทางควอนตัมหรือพูดง่ายๆก็คือการจะอธิบายการสลายกัมมันตาราังสีเนี่ยต้องใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับควอนตัมมาอธิบายดังนั้นธรรมชาติความซ้อนทับเนี่ย ของกรมมตรังสีก็ใช้อธิบายได้อย่างสมบูรณ์นะจะอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้ามันสลายตัวกรมมาตรังสีเนี่ยจะไปโดนกลไกลบางอย่างที่ทำให้ยาพิษเนี่ยแตกออกแต่ถ้าไม่สลายตัวยาพิษกล่องยาพิษก็ไม่แตกออกทีนี้ในกล่องเนี่ยสมมติว่ามีสัตว์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งอย่างที่บอกนะครับหวยมนตกใส่แมวซึ่งผมเองก็สะเทือนใจนะรักแมวแมวอยู่ในกล่องเนี่ย ถ้าเกิดยาพิษสลายตัวแมวก็ตายแต่ถ้ายาพิษไม่สลายตัวแมวก็เป็นเรียกว่าไม่ตายก็คือแมวเป็นอแต่ทีนี้ถ้าเราปิดกล่องตอนที่เรายังไม่วัดไอ้ตัวกําัมะถังสีเนี่ยมันอยู่ในสถานการ์ซ้อนทับระหว่างสลายกับไม่สลายค่ะยาพิษก็อยู่ในสถานะซ้อนทับระหว่างแตกออกมากับไม่แตกแล้วแมวล่ะแมวก็ควรจะอยู่ในสถานะซ้อนทับระหว่างเป็นกับตายพร้อมกันซึ่ง พอ เ, เปิดออกมาฟังก์ชันคลื่นของแมวก็จะคอลลปส์มาว่าเป็นหรือตายแต่ตอนปิดแมวก็อยู่ในสถานะซ้อนทับระหว่างเป็นกับตายนี่คือการทดลองของชาร์โลเจอร์ทีนี้ชาร์โลเจอร์บอกว่ามันวิยประหลาดตรงที่ว่าแล้วแมวมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันจะซ้อนทับระหว่างเป็นกับตายเป็นคลื่นที่ซ้อนทับระหว่างคลื่นเป็นกับคลื่นตายเนี่ยได้ยังง ไ, ได้ยังไงแมวมันจะรู้สึกยังไง มันได้ด้วยเหรอ อ, อันนี้เขามาประชดเห็นไหมว่าเขาสร้างคอนเนคชันระหว่างโลกควอนตัมกับโลกคลาสสิกก็คือสิ่งมีชีวิตเหมือนยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายขึ้นใช่ว่าถ้าโลกควอนตัมเป็นจริงเนี่ยมันจะเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นกับแมวตัวนี้สติสัมปชัญญะของแมวในกล่องเป็นยังไงกันแน่ ม, มันรับรู้โลกหลังตายไปแล้วหรือมันรับรู้โลกที่เป็นอยู่มันเป็น ม, มันเป็นไปได้ยังไงแล้ว คือหลังจากการทดลองของคุณชโรริงเจอร์เนี่ย<ะ>ก็ยังมีคนจินตนาการต่อครับน้องฟังค่ะว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมีเจ้าของแมวอยู่ในห้องล่ะเจ้าของแมวเปิดออกมาเจอแมวตายเสียใจอ่นะอืมโอ๊ยร้องไห้ใหญ่เลยแต่ถ้าเจ้าของแมวเปิดออกมาเพราะว่าแมวยังไม่ตายแมวเป็นก็เอาขึ้นมาก่อนก็ดีใจใช่ไหมอืมแล้วถ้าเจ้าของแมวอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่ปิดอยู่ออืเจ้าของแมว ก็จะอยู่ในสถานะซ้อนทับระหว่างดีใจกับเสียใจ oh. คุณโหเราะและร้องไห้แบบพร้อมๆกันได้ด้วยเหรอร้ mm. องไห้แบบเสียใจแบบอย่างสุดเลยโอ้แ oh, mm. มวตาย mm. กับอีกฟังก์ชันหนึ่งคือเจ้าของแมวอ่ะเย่อุ้มแมวก่อนเขาอยู่ในสถานะซ้อนทับกันแบบนั้นได้ด้วยเหรอเ mm. นี่ยคือการจินตนาการเพื่อหาช่องโหว่ว่าที่สตีคอนตั้มให้ผลที่ไม่เมคเซนต์แบบเนี้ยอธิบายยังไงดีอ mm. แล้วแล้ววันนี้ที่คนทำความเข้าใจไอ้ตัวแมวของช h รโดิงเจอร์เนี่ยเขาเอามันไปคิดต่อยอดยังไงต่อไหมคะคือในยุคนั้นเนี่ยมันยังค่อนข้างสับสนอยู่บางคนเนี่ยก็เชื่อมโยงไปถึงปรัชญาที่ว่าถ้าเราไม่มองดวงจันเนี่ยดวงจันทร์จะยังอยู่หรือไ ม, อ ม, อม่เพราะว่าคลื่นเนี่ยตอนที่เรายังไม่วัดอิเล็กตรอนเนี่ยคลื่นมันเป็นฟังก์ชันคลื่นแต่พอเราวัดแล้วมันยุบแบบนี้มันเหมือนกับการมองของเรามันไปส่งผลต่อ ตอสถานะของฟิสิกส์ได้นะครับแต่น้องฟางถามว่าทุกวันนี้มันเป็นยังไงใช่ั้ยเราก็รู้ดีครับต่อให้เราไม่มองดวงจันทร์ดวงจันทร์มันก็อยู่นั่นแหละเพราะเอกภพบมองมันอยู่คือโลกในระดับคลาสสิกเนี่ยอะตอมต่างๆมันเหมือนถูกวัดอยู่ตลอดเวลาโดยโดยเอกภพแม้ว่าแม้ว่าแก้วน้ำเนี่ยจะไม่มีใครมองก็ตามตัวมันก็ถูก แสงบ้างอนุภาคต่างๆ<ม>ชนหรืออะไรมันเหมือนเกิดการวัดตลอดเวลาไอ้คลื่นที่มันจะไม่เสถียรของเชโรดิงเจอร์เนี่ยมันยุบตัวกลายเป็นแก้วน้ํามาตลอดอยู่แล้ว<ม>นะฮะอันนี้เป็นคําอธิบายหนึ่งก็คือพอมันใหญ่ขึ้นมาในโลกแบบคลาสสิกเนี่ยการวัดมันเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยตัวเอกภพและปรากฏการต่างๆเองที่ไปรบกวนระบบ<ม>สถานะคลื่นเนี่ยมันที่ที่อนุภาคมันเยอะขนาดนี้มันไม่สามารถที่จะอยู่ในสถานะการซ่อนทับคลื่นทั้งหมดได้มันยุบตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ คุณไบรอันกรีนนะก็เคยกล่าวไว้ว่าจริ ง, รงๆคําอธิบายว่าโลกควอนตัมที่พื้นฐานเต็มไปด้วยโอกาสเนี่ยมันกลายร่างมาเป็นโลกที่ชัดเจนแบบคลาสสิกได้อย่างไรตรงนี้เป็นหนึ่งในอันโซกพร็อเลมทางฟิสิกส์เหมือนกันคือมีอีกหลายแง่มุมที่รอให้เราไปอธิบายในแง่ที่ว่าโลกควอนตัมมันเชื่อมโยงมายัางโลกคลาสสิกได้อย่างไรและจริงๆการทดลองแมวของชอรริงเจอร์เนี่ยก็ยังมีคน พยายามสร้างงานวิจัยใหม่ๆ ม, ม, มองมุมใหม่ๆ ใ, ในการอธิบายมันอยู่นะอมแม้ว่าทุกวันนี้เราอาจจะมองได้อย่างชัดเจนแล้วว่าอ๋อแมวมันไม่เป็นก็ตายชัดเจนมันยืนยืนอยู่ในกล่องมีอากาศมีอะไรตัวมันเหมือนถูกกระทบกระทั่งโดยอนุภาคต่างๆมันถูกวัดตลอดเวลาอยู่แล้วมันคอ l l a p s e ตลอดเวลาออแต่ก็ยังมีคนพยายามมองในมุมอื่นๆอยู่ตลอดอยู่เหมือนกันฟังฟังเข้าใจ <c oughs> แบบนี้ถูกไหมคะว่าคือถ้าเรามองเรื่องนี้ด้วยควอนตัมฟิสิกส์แยก กับมองด้วยเขาซึ่งข้อฟิสิกเนี่ยมันก็ยังเม็กเซนในเส้นทางของมันแต่เมื่อไหร่ที่ไอ้เมื่อกี้มันเชื่อมกันปุป๊บอะมันมีแบบมันมีความข้อ<ร>ายากอะไรบางอย่างเราเรายังมองทุกทุกวันนี้นักฟิสิก์ยังไม่เห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนร้อเปอระหว่างโลกควอนตัมว่าจากโลกควอนตัมที่มันเป็นความพล่าเรือนของคลื่นและโอกาสมันกลายมาเป็นโลคคลาสสิกได้ยังไงตรงนี้ยังเป็นสิ่งที่รอให้เราวิจัยกันอยู่ S <S เราเราเห็นความเชื่อมโยงในระดับหนึง่งแต่ยังไม่ครบถ้วนใช่แต่ต่อให้การทดลองของแม่ของชอร์ริเจอร์จะฟังดูผิดปกติแค่ไหนก็ตามทฤษฎีควอนตัมมันก็ยังถูกอยู่เพราะทดลองแล้วมันมันตรงใช่แบบนั้นคือสุดท้ายฟิสิกส์ก็เหมือนกับวิทยาศาสตร์ทุกสาขาที่พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คอยตัดสินนะคือการทดลองถ้ามันทดลองออกมาแล้วพบว่ามันผลมันเป็นอย่างนี้มันสอดคล้องกับทฤษฎีแม้ว่าทฤษฎีจะดูไม่น่าเชื่อแค่ไหน มันก็จริงแต่ถ้าทฤษฎีถึงแม้ว่าคุณจะสร้างมาจากปากผู้ที่โคตรน่าเชื่อเลยแล้วทฤษฎีดูน่าเชื่อมากสวยงามมากแต่ถ้าไม่มีการทดลองยืนยันมันก็ไม่ใช่ทฤษฎีที่ดีนะครับและทฤษฎีคอนตั้มเกินทฤษฎีที่ดีดังนั้นต่อให้มีการทดลองมาบอกว่ามันดูผิดปกติแค่ไหนก็ตามนะมันทดลองแล้วมันเห็นผลแบบนั้นนะครับมันก็เป็นทฤษฎีที่ดีอยู่ดีแล้วเรื่องเนี้ค่ะสุดท้ายแล้วมันจบที่ว่าโอเคฉันได้ประชดสมใจอยาจบหรือว่า มันมีการต่อยอดหรือว่ามีใครมาคิดอะไรต่อจากเรื่องนี้ยังไงบ้างก็เนี่ยคือมันเป็นการประชดที่ส่งผลต่อแนวคิดเชิงปรัชญาต่อการตีความต่ออย่างที่บอกว่ามันจะมีนะักฟิสิกส์หลายๆคนทุกวันนี้บางทีก็ยังพยายามตีความในแง่มุมต่างๆอยู่เลยคือแม้ว่าการทดลองแมวของชารดิงเจอร์มันจะไม่ได้ไปเปลี่ยนทฤษฎีควอนตัมในเชิงของการคานวณไม่ได้ไปเปลี่ยนผลการทดลองแต่มันชวนตั้งคาถามว่า Reality หรือความจริงเนี่ยควรจะใช้ m i n d s ซ t แบบไหนในการอธิบายมันก็มีคนพยายามอธิบายให้ให้แม็กซ์เซนขึ้นอะไรพวกนี้แล้วก็ในมุมต่างๆมากขึ้นค่ะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองเรื่องนี้ในแบบของการที่แบบเป็นคลื่นซ้อนทับเรามองมันแบบไหนได้อีก่ะคะพี่ปองไปไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบแบบเป็นคลื่นตัวเลือกไหมีตัวเลือกหมมาเป็นคลื่นมาซ้อนรู้สึกโอ้อะไรเนี่ยมันแบบลคลื่นยุบ การยุบก็ไม่มีกลไกด้วยจู่ๆ จ, จ, จะยุบก็ยุบแล้วยุบทันทีรับไม่ได้ ค, คลื่นของอะไรก็ไม่รู้ก็มีแบบ many world interpretation อ, อเหมือนเราเคยพูดในตอน uh, multiverse ใช่ลองกลับไปดูฮะอันนั้นก็เมาเหมือนกัน multiverse <c oughs> คือ many world interpretation เนี่ยไม่ต้องใช้แบบการซ้อนทับของคลื่นก็ได้แมวเป็นกับแมวตายเนี่ยไม่ได้อยู่ในกล่องแบบควบกันอยู่แต่พอเราวัดเนี่ยเอกภพ วลมันแยกออกไปเป็นกล่องหนึ่งเจอแมวเป็นอีกกล่องเจอแมวตายอยู่คนละโลกลไปเลยคนละเอ ก, กพบกัน<อ>เป็นคนละเวลรับได้ไหมอ่ะนักฟิสิกส์บางคนสร้างคำอธิบายนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้ไม่ต้องมาบอกว่าคลื่นมันซ้อนทับกันแล้วคอนแลปอะไรพวกนี้ไม่ชอบออก็แยกออกไปเลยเป็นสองโลกโลกหนึ่งแมวเป็นโลกหนึ่งแมวตายแฮปปี้ <Happy. S 2> เลือกเอาว่า<ะ>เลือกเอาสักทาง แต่ส่วนตัวผมว่า many world อะพิลึกกว่าอีกอพิลึกแบบโหแยกเป็นสองโลกอเอ้าอย่างนี้เลยเหร อ, อคือแต่แต่แตนักฟิสิกส์หลายๆท่านอาจารย์ของผมหลายท่านก็ชอบ many world นะแต่ก็นี่แหละครับนักศึกษาที่มาเรียนหลายๆแบบปวดหัว <c oughs> เพราะว่า <c oughs> <c oughs> คิดกันมาเนี่ยโอ้แต่ละอันอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันคลื่ น, นซ้อนทับกันมเป็มาตายอีกแบบวัดปุ๊บ๊บออกมาเป็น เป็นครึ่งตายครึ่งอย่างนี้มันแบบเมามันถึงมีมีอีกอันหนึ่งผมชอบอชอบเหมือนกันค่ะคำอธิบายเนี้ยเรียกว่า shut up and calculation interpretation อันนี้หลอกหรือว่าจริงจริงไปชื่อนี้เลยชื่อนี้เลย shut up and calculation คือไม่ต้องไปเถียงเว็บมาเคลื่อนเคลื่อนอะไรไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปคุยเรื่อ ง, องโลกเลิกเลยไม่ต้องคุยคำนวณออกมาเราวัดตรงไหตรงแล้วจบ ไม่ตรงปรับชาร์ตอัพแอนเคอร์เลชันอันนี้ผมก็ชอบนะตรงดีแล้วก็เป็นฟิสิกด้วยแต่นี่แหละครับชอบกันแบบไหนก็ไปทางนั้นฮนะฟังรู้สึกว่าตอนเนี้ย เ, ออเมาหมัดแล้วก็มึนงงมากเลยนะคะออก็รู้สึกว่าเออมันมีมันมีหลายๆอย่างแต่เอาจริงๆหัวใจของเรื่องเนี้ยมันคือบางอย่างมันไม่ได้ต้องวัดได้แน่นอนก็ได้มันมีความเป็นไปได้มากมายเข้าใจแบบนี้ถูกไหมคะคือ มันมีหลักการสําคัญข้อหนึ่งของทฤษฎีควอนตัมเรียกว่าหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กนะหลักตัวเนี้ชี้ให้เห็นว่าคู่ตัวแปรหลายอย่างนะครับมันไม่สามารถวัดให้แม่นพร้อมกันได้อย่างเช่นตำแหน่งกับโมเมนตัมอย่างนี้ไม่ไม่มีทางแม่นพร้อมกันได้<ะ>ตัวหนึ่งแม่นอีกตัวมันจะเบลอมากทันทีเลย อ, อันนี้เป็นอะไรที่ทําลายแนวคิดที่เรียกว่าดีเทอร์มินิซึมของกสตร์คลาสสิกลงอย่างสิ้นเชิงที่เราเชื่อว่า ถ้าเราวัดตำแหน่งและความเร็วของอนุภาคต่างๆได้ไปอนาคตอันนี้มันวัดไม่ได้อเพราะวัดให้แม่นพร้อมกันไม่ได้ไอหลักตัวนี้มันก็เหมือนจะเจ๊งไปพอสมควร<ะ>แต่ก็อาจจะมีการตีความได้ว่าลักดิเทอร์มินิซึก็ยังอยู่ในแง่ที่ว่าการแปลเปลี่ยนของฟังก์ชันคลื่นยังเป็นดิเทอร์มินิอยู่ อ, อะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าโอกาสกลายเป็นตัวแปรที่สําคัญมากในโลกควอนตัมแต่ต้องเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าทฤษฎีควอนตัมเนี่ย มันไม่ได้มีเรื่องลึกลับผีสางนางไม้พลังงานที่มองไม่เห็นหรื อ, เ, อ, อเรื่องของจักรวาลหน้าชีวิตหลังความตายมันเป็นฟิสิกส์มันเป็นวิทยาศาสตร์แต่ที่มันดูแฟนซีตอนนี้เป็นเพราะการตีความของมันเนี่ยเราพยายามตีความโลกและเอกภพที่เล็กลงไปมากๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นไปตามสามัญสำนึกของเรามันก็เลยฟังดูแปลกใช่แต่ว่าตัวทฤษฎีเนี่ยมันนิ่งแล้วละ่ะในแง่ของ การคำนวณการอะไรพวกเนี้ผลต่างๆมันชัดเจนแล้วแต่เรื่องของการตีความเนี่ยมันยังเปิดโอกาสหลายๆอย่างอยู่แล้วก็ยังมีความลึกที่ลั่นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราหลับหูหลับตาเรื่องการตีความไปบ้างทฤษฎีควอนตัมก็เหมือนทฤษฎีฟิสิกอื่นๆที่คำนวณออกมาแล้ววัดผลแล้วก็ตรงอ ม, มันเปิดโลกมากๆเหมือนกันนะคะสำหรับฟังรู้สึกว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ต้องเป็นแบบที่สามัญสำนึกปกติ ที่เราเข้าใจก็ได้แต่ว่ามันก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็มีการศึกษากันมาอย่างแบบจริงจังมากเลยนะคะก็ค่อนข้างท้าทายแล้วก็น่าสนใจนะคะใครฟังแล้วเนี่ย มีความคิดเห็นยังไงลองแชร์กันมาค่ะเมาหมาัดเหมือนฟังไหมหรือว่าเฮ้ยรู้สึกแบบสนใจในเรื่องไหนเป็นพิเศษก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาดูนะคะก็ฝากติดตามนะคะใดๆในโลกลวนฟิสิกส์ได้ในทุกๆพอดแคสต์เพลเยอร์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe นะคะยูทูบชาแนลของ t h อ Standard Podcast มีตอนใหม่ๆ ม, มาจะได้ลองทา้าทายแล้วก็เปิดโลกไปด้วยกันได้นะคะวันนี้ราไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye-opening for your ears.